นั่งตามสบายของใครของเราแน่แล้วก็นั่งหลับตาลงเดีวมามองดูปากของปู่กำโดดดูดวงจิต ด, ดวงใจของใครของเรานี่พวกเรามาฟังนี่ฟังพ่อวัดปฏิบัติที่พวกเราจะปฏิบัติเรื่องการ ศึกษาความรู้เนี่ยมันฟังมานานแล้วหลายปีแล้วคงจะรู้ไปมากแล้วทําตามหลักธรรมชาในปริยัติปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปริปฏิเวทคือคือปฏิเวธธรรมคือผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรม ปฏิเวทธรรมอาศัยปริยัติและปฏิบัติสองอย่างจะฟังเอาความรู้แล้วกลับไปถามกันไปถกไปเถียงกันไปต่อร่อตอเถียงกันไม่มีประโยชน์ฟังแล้วเข้าใจแล้วไปประพฤติไปปฏิบัติน้อยมากแล้วแต่สติกำลังของใครของเรา ทำมากเหตุมากผลของการปฏิบัติเมื่อก็จะให้ผลมากเหมือนกันให้ดูเหตุการกระทำคำว่ามากในที่นี้หมายถึงให้มีสติและลึลกรู้อยู่และสัมปัสัญญาขอมรู้ตัวที่นี่ก็ <c oughs> เบื้องต้นก่อนจ ะ, ะแสดงโดยปกติธรรมธรรมชาติหรือท่ารจะ <c oughs> ตั้งนโมก่อนแล้วก็จะยกสุภาศิทขึ้นพระสิได้พระสิหนึ่งขึ้นมาอันนี้ทรมป่าที่หลวงปู่ปฏิวัติมาบางทีก็ไม่ได้ตั้งนโมเอาเลยคำที่ว่านโมในที่นี้ก็ถ้าเราแปลออกมาขยายออกมาก่อนนโม ความนอบน้อม น, นี่หมายถึงพวกเรานี่ไห ว, ว, ว้ไหว้วีาไหว้มันดาไหว้พระพุทธเจ้าว่านะโมนาสอแสดงถึงแม่ของพวกเราน้าคือน้ำคือแม่โมคือพ่อคือดินนะโมตัดสะพระคับวโตพระคับ ว, โ ต, วโตอันว่าพระผูมีพระพาคเจ้า อระหะโตท่านเป็นพะระอรหันต์สัมมาท่านตัดสลูชอบแล้วสัมพุทธัสสะทัศน์ท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรทีนี่ของจริงคือทุกข์แล้วพวกเรามีไหมทุกข์ถ้าพวกเรามีทุก ก็แสดงว่าพวกเราวีของจริงนี่นะจังว่าตันเห็นทุกหนึ่งเห็นสมุทัยเหตุทุกเกิดคือตัวตัณหาหนึ่งเห็นนิโรธคือความดับทุกหนึ่งแล้วก็เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งอะไรลราเป็นมรรคที่นี่ทุกนี่ลราเป็นมรรคสมุทัยเหตุทุกเกิดนี่เราเป็นมรรค นิโลดคือความดับทุกเนี่ยเป็นมักเป็นหันทางเข้าไปดับทุกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เมื่อทุกเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นท่านให้ดูท่านให้ศึกษาให้ปฏิบัติแต่ว่าเบื้องแรกเบื้องต้นต้องศีลก่อนต้องรักษากายนี่เพื่พูด ไ, ไปบอกเขาเดี๋ยวให้เขาคุยกันนะเดี๋ยวหงอไม่จะหนวกเนี่ย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 ให้ทาเหมือนเดิมเลยล่ะแต่อย่าแต่ว่าอยาไปเปลี่ยนอยาไปเปลี่ยนทําให้มันมากทําให้มันมากเมื่อมันทําว่าเหียดมันมากเดี๋ยวมันก็จะรับผลเองเพราะฉะนั้นว่าไอ้หนทางที่เข้าไปดับทุกข์ก็คือทุกนี่ละสมุทัยนี่ละนีโลดมันเป็นมักเป็นหนทางเข้าไปดับทุกหลังจากนั้นท่านที่ทำให้มันมากเจริญให้มันยิ่งให้มีสติ ให้มาที่ปัตมาปฏิบัติทำสติให้มันแกข้าให้มันมาเข้ามาเข้าทำเมื่อมันมีสติมากสติก้าปัญญาไม่ก่อจะก้าเพราะฉะนั้นสติสติสติคือความระลึกลู่เนี่ยสติก้าปัญญาสว่างสติจังแสงสว่างไม่พอเหมือนตะโรฝาดฟางนี่สติก็คือโตฟูรูคือดวงฉีดดวงใจนี่แหะ เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพียงยอยอจะรุปเรียกกับมารวมอยู่ธรรมะข้อเดียวนี่ล่ะคืออะไรคือสติเหมือนท่านเทียบเท่ากันกับเท่าเท่าสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายแลรอยเท่าของมัน มารวมกันอยู่ที่รอยช่างปลสร้างรยอยสร้างใหญ่กว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นธรรมาคาสั่งอนของพระพุทธเจ้า8ปดหมืสี่พระธรรมขันธ์ก็มารวมอยู่สติตัวเดียวเนี่ยคือตัวล่นเพราะฉะนั้นมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาให้ม ส, สติก้าปัญญาข้าเนี่ยมันจะมาผลักดันจิตใจของพวกเราเให้อย่างเข้าสู่ความสงบ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 ก้อนสกุลละกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกก้อนสกุลละกายนี่เป็นเป็นอ่าอ่าเป็นอ่าเป็นมหาพุทธรูกรูปใหญ่มีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมรวมกันอยู่เป็นก้อนสกุลละกายนธาตุทั้งสี่ธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนัง เยี่ยนกระดูกเยี่ยในกระดูกตบปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดีธาตุน้ํามีน้ําดีน้ําทะเลน้ําหนองน้าเลือดน้ําเงื่อน้ํามันข้นน้าลายน้ํามูดน้ำไข่ข้อน้ํามูดนี่นี่คือธาตุน้ํำธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นธาตุสมัคีตั้งอยู่ได้ไฟยังกายให้อบุญไฟยังกายให้สุดชมไฟยังกายให้กระบนกาวาย ไฟเผาอาหารให้ย่อยที่นี่ธาตุลมลมเพื่อนลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกนี่นีของสี่อย่างเท่านี้ที่นี่ถ้าเข้าไปถึงความจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงแล้วที่นี่ธาตุทั้ง4ี่ดินน้ำไฟลมนี่ ไม่มีเจ้าของเป็นของกลางของมีประจำโวกดินดินภายนอกกับดินภายในอันอย่างเดียวกันที่นี่ถ้าจะยกให้มีเจ้าของที่นี่ธาตุดินจะเป็นสมบัติของบิดาธาตุน้ำจะเป็นสมบัติของมัรดาเป็นคุณของมันดาเป็นคุณของบีดาเพราะฉะนั้นเวลาก่าวเมื่อกี้เนี่ยนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส ไหว่พ่อไหว่แม่ไหว่ไหว้พระพุทธเจ้ายัาายายางไงเนี่ย น, น, น, นะเพื่อจะปฏิบัติแต่ตามหาตนของตนนั้นมาเจอเมื่อเจอตนของตนรู้ตนของตนแล้วต้องกราะต้อหาวิทางหาหนทางจะทิ้งร่างกายจะทำไรจะทิ้งได้เนี่ยสรุปแล้วเนี่อ้ท่านั้นท่านจะให้มรคนมาคิดพิจารณามา่มังกายรื่กายบ้า มันมีความสุข ค, ความทุกข์อย่างไรบ้างหรือมันมีแต่สุขอย่างเดียวหรือจะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวหรือมันมีอะไรที่คนคั่วพิจารณ์นี่ท่านให้รู้ให้ใส่สติใส่ปัญญาคนคั่วว่ามันมีอะไรอยู่ในร่างกายขามีธาตุทั้งสีดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมนี่มันเป็นใช่ต น, นหรือไม่ไม่ใช่นี่ดินก็คือดินไม่ใช่อะอะอะไม่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ดวงจีตดวงใจน้ําก็คือน้ําไม่ใช่ดวงจิตดวงใจไฟก็คือไฟไม่ใช่ดวงจิตดวงใจ รมก็คือรมไม่ใช่ดวงจิตดวงใจเรูปก็ไม่ใช่ตนของตนเวทนาความสุขความทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ตนเนี่ยสัญญาความจําได้หมายรูปก็ไม่ใช่ตนทังขานความปรุงความแต่งความคิดความเนึกอตีใจใช่ใจรักสังโกโลกหลงแถวนี้ก็ไม่ใช่ตนวิญญาณความรับทราบตาหูจมูกร่ลี่นกายใจอก็ไม่ใช่ต น, นดิแล้วว่า ม, มันไม่เที่ยง มันเปล่แปลวียนเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเทศให้พระพุทธจ้วกีทั้งห้ากองว่าอนนาตาคําที่ว่าอนนาตาเป็นภาษาบาลีว่าอนนาตานี่แปลว่าของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใชเราไม่ใิเขาเรียกว่าอนนาตารูปังอนนาตาคือรูปร่างกายนี้เวทนาอนนาตาความเจ็บปวดเล่เล่านี่ก็ไม่ใช่ตนสัญญาอนนาตาสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารอนนาตาสังขารก็ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณังอนนาตาวิญญาณของรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตนเป็นอนนาตาเหมืก า, า, ากันพระอปัญจาวกีทั้งห้าท่านกําหนดตามเพราะว่าพุทธเจ้าแสดงไปท่านถามว่ารูปังอนนาตารูปปจาาาาจานิรังปีฆเวอัตาภวิตาในยังรูปังอบาทายะทั้งบัตเตยันมันมันเกิดเปทนาคืออ า, าพาธ รู้ไประะู้ปัญญาที่ดังผิดกัเวอตาภวิษะนั้นยังรู้ปังอ ბ าทายะทั้งวัตรยะตัสมารู้ปังอ ბ าทายะตั้งวัตตินั่นมันไม่เที่ยงมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงมันท่านกันว่ารู้ปังนิจังวา่าอานิจังวา่าติพระพุทธเจ้าถามพระพิทธเจ้าคิดว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ดูฟังนิจังวาอันนิจังวาติอันนิจังพันเตนตอบแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ดูขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่าเมื่อเป็นทุกข์แล้วที่นี้มันใช่ตัวตนหรือไม่ไม่ใช่เจ้าขพระพุทธเจ้าข่าน็เมืตามไปตามไปจนเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงทำจบลงพระประจับเมื่อกีต้าหักก็ได้สมเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเบื่อหนายให้คนกัจเพราะเบื่อหนาย นิพพิทาความเบื่อนายค่ายความกำลัดยินดีในลูกเนี่ยจำว่ารูปธรรมิงปีนิบินติเวทนาจะปีนิบินติสัญญาจะปีนิบินติสังขเลสุปีนิบินติวิญญาณธมิงปีนิบินตินี่ยเบื่อในลูกเบื่อหนายเวทนาเบื่อหน่ยสัญญาเบื่อหน่ยสังขารเบื่อหนายวิญญาณเมื่อเบื่อเบื่อใน่ายมันก็ค่ายความกำนัดยินดี เมื่อใายความกำหนิดกินดีจินเมื่อกพ้นเนี่ยพ้นประจักษ์ที่ไห น, น, นกินก็พ้นไปจักรูอเดิมมีแหละพ้นไปจักรูพ้นไปจักเบทนาพ้นประจักษ์สัญญาพ้นประจักษขั้นขันพ้นประจักษ์กญญกกบีญญาณ น, นี่ยังว่าเบื่อนา่ายท่ว่าลงท่ายกับรูปัตมิงปีนิบินตีนิพิทาความเบือ่อรูปัตมิงปีนิบินตี เวทนาเจปีนิ้บินเดตีสัญญาณเจปีนิ้บินเดตีสังคเลสุปีนิ้บินเดตีวิญญาณสมิงปีนี้บินเดตีนิบินดังวิรัตเจตีวิลากาบิมุตเจตบิมุตตะสมิงบิมุตตะมิติญาณังโหตีขีณาชาตีพุทธิตังพรหมจันทร์ยังกตังกรณียังนาพลังศิษยติปชาญนาติตีเหื่อยเบื่อนายไขความกำนัดจินดีเกิดญาณความรู้ขึ้นมาจิตมันก็พัน อิรามโบจะพากวนะ่าอัตมานาปัญจวัคียาผีคู่พากว่าตัาสิตังหะผดันดุงอิมัมจเมจจาปนาเวยากรัตมิงพันญ ม, มาเนปัญจวกีรานังผีคู่นังอนุปปายะอาสเหิจิตตานิบิมุจิงสุตนีิมุคือความดุพนนั่นจิตพนจิตใจเป็นเด็กประเทศหลยพนจากอ่อ่าพนจาก้มเกิดค้มเกิกเกิดคกุดคกคตายเป็นพระอรหันเนี่ยนน จิตที่จะควรทําไม่มีอีกแล้วไม่มีกิจะพึ่งทําอีกแล้ว น, นี่ท่านแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังที่นี่ข้างที่สองที่นี่ท่ไปไปเทศโปรดสดินสามพี่นอ้องสดินสามพี่น้องผู้พี่คนที่เป็นพี่มีลูกศิษย์สี่ร้อยน้องชายสองคนมีลูกศิษย์ คนละสามร้อยรวมกันเป็นพันสามองคที่ประเทศให้ทิ้สามพี่น้องพวกเรื่อนปฏบบิบัติบูชาไฟไปทำเปลียนเอาไฟเอาไฟบูช า, าไฟทางนอกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนั้นไมไฟนอกพระพุทธเจ้าท่านให้ดูให้ดูไฟไฟภายในที่มันเกิดขึ้นจากตา่างยังว่า ท่านเทศอดีิตาปริอาทิตะปริยายสูตรอทิตะอทิตเป็นว่าของรอนอาทิตย์ริยาสูตรนว่าขึ้นขึ้นได้ลก่อนโกตนตนอาีตาสูตรปัสูตรอดีิตานขึ้นขึ้นตว่าจจะจคุ้งจกคุ้งหมายถึงตาจกคุ้งผิขเวอดีิตาอดีิตาจะคุ้งผิกขเวอดีตา ตาก็เป็นของร้อน ร, อรูปอาอูปาดิตารูปกับเป็นของร้อนรูปทุกอย่างที่มากระทบกับตารูปก็เป็นคองร้อนตากับเป็นของร้อนที่นี่ท่านาท่านท่านว่ามันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟไฟอยู่ที่ไหนลาคาขีนาโดสขีนาโมหขีนาไฟคือราคะความกำนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ไฟโทสะความโกรธไฟโมหะความหลงมือตือปืนเนี่ยตัวเรี่ยสำคัญจัว่าลานคักขีนาโดสักขีนาโมหกีนาอะดิตังอะดิตังทำให้เกิดชาติชลาปริิมรณะชาติยาชรามรเนนะโชเเกหีปริเทเวหีดุเขหีโดมันเซหีอุปยาเซหีอาดิตังติวรามินี่นี่ีตากรบกมณีโชตังอะิตังหูกระเพของร้อนสัทธาอตา เสียงอะศรัทธาคือเสียงศรัทธาดิธาเสียงก็เป็นของร้อนศรัทธาดิตาโซโซโซโซตังโตังอิตังศรัทธาิาโซตะบิญาณังบินญาณคือความรู้โซตะบิญาณังอิตังโซตะสัมผัสโัอิโตสัมผัสยำปิดังโซตาสัมผัสสะปยาุปสติเวะอะิตังสุขังวาดุขขังวาอดุกมะสุขังวาตัมปีอดิตังนี่ทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แกนอิตัง อดิตังมัทุพภะไรลาคัชชินาโดสัินาโมหะินาอดิตังที่นี่ก็โมจตากับงูตะ ก, ก, กะจะงูก็เหมือนกันจะูก็เหมือนกันลื่นก็เหมือนกันเป็นไฟพราคาทุษาร์มโหหะเหมือนกันกายก็เหมือนกันมโนคือจิตใจก็เหมือนกันจังว่เจ้าเกิดนิพพิธาความเหมือนจังหว่า จากขุดสมิง <horror> ป <waves> ีนี้บินนตีเบื่อใดเนนี่เกิดที่พิธาความเบื่อจากขุดสมิงจากขุดสมิงปีนี้บินนาตีเบื่อในตาเจากขูบิญยาเนปีนี้บินนตีจากขูสัมพัสเสปีนี้บินนาตียำปีดังจากขูสัมพัสปัตตะยาวปัตตีเวราจีตังสุขั้งวาดุขังวาดุขมาสุขั้งวาตัดสมิงปีนี้บินนาตีสิ่นี้ก็โสตัดสมิงปีนี้บินนตี สัตว์เดสุปีนิบินนตีโสตบินญเนปีิบินนตีโสตสัมัสเสปีนิบินนาตียำปีดังจกูสัมภสพจอมำยปีดังโสตสัมผสัพพัยปติเวริตังสูข้างว่าดูข้างว่าอะดุขมาสูข้างว่าตัดสมิงปีนิบินนาตีมีนขาณสมิงปีจมูกที่เขาเับกินขานัสมิงปีนิบินนาตีอังเทสุปีนิบินนาตีขานาบินญเนปีนิบินนาตีขานาสัมัสเสปีนิบินนาต ยำปีดังขนาสัมปัสสะปัสยาปัติเบไดจิตังสุขข้างวาดูข้างวาดูขมาสุขข้างวาตัดสมิงปีนิบินนาเตชิวห้ายปีนิบินนาติลินชิวห้าจะปีนิบินนาติละเสสุปีนิบินนาติชิวห้าบินญดเนปีนิบินนาตีสิวหาสัมปัสสปีนิบินนายำปดังชิวหาสัมปัสสปัสทยาปัสติเบไดจิตังสุขข้างวาดูข้างวาดูขมาสุข้างวาตัดสมิงปีนิบินนาเตกายสิ กายธรรมิงปีนิบินนาตีปวดทะเบยทุปีนิบินนาตีกายยบินญาเนปีนิบินนาตีกายยสัมผัสเสปีนิบินนาตียาปีนังกายยสัมผัสสัพพัยาปัสติเบรยิตังสุขังวาดุกขังวาดุขมาสุขังวาตัตสรมิปีนิบินนาตีที่มโนคึ้นตีใจบัน้มนัตธรมิปีนิบินนาตีทำเมทุปีนิบินนาตีมโนวิญญาเนปีนิบินนาตีมโนสัมปัสเสปีนิบินนาตี ยมปีนังมโนสัมภาสาปัตยปัจติเวรายี่ตังสุขั้งวาดุขั้งวาดุขมาสุขังวาตัตสมิงปีนิบินตเตนิบินดังวีรัจเตวิรางกาวีมุตจเตวีมุตตัตสมิงวีมุตตามีติญาณังโหเตขีนาชาเตวุจิตังพรหมจาริยังกาตังกะระนียังนาบาลังอิสตายาติปะชานาตีเต อิดะมาวจะพกะว่าอั ต, ตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาจิตังกะภะอภิรันดุงอิมัสมินจาปะนะเวยการณ์สมิงพันญะมาเนตัสภิกขุสหั ส, สัสะอาสเวหิจิตานิวิมุต จ, จิงสุติปิมุตคือความหลุดพ้นพ้นระจากที่ไหนพ้นระจักตาพ้นระจักหู พ่นประจมูกพ่นประกลีนพ้นประจกายพ้นปจากจิตใจอันที่มันลุ่มหลงอันจิตใจที่ลุ่มหลงท่านให้ชื่อว่าตัวอวิชาเนี่ยจะมาอวิชาคือความไม่รู้ความหลงแล้วจะถามว่าอวิชาอยู่ที่ไหนก็จิตใจของพวกเราเนี่ยที่มันหลงท่านให้ชื่อว่าตัวอวิชาจะว่าอวิชาปัตยาสังคาราเมื่อมันมีอวิชาธรรมะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็มายถึงสังขารจิตใจและสัขารร่ากายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนีว่า จังว่อภิชาปัจจาสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณังวิญญาณาปัจานามาลุปังนามารุปปปัญญายลาเจตังเจลายนาปัจายัททุปัตาปัญาเวรนาเวรนาปัจาตันหาตันหาปัจาอุปนันังอุปนนปัจาภาวภาวะปัจาชาติชาติปัจาสลามัดังโซกับปารเดวะดุขดมมัสูปยาสานิหลุดสั้นอาชาสัมพวันติเอวเมตตาเกวราตดุขขันธะ สามูดยโฮตีนี่ตัวอวิชาจะสังขารสาราจนับพัสสะโสกับ พ, พระแท้อุปสรราสาพกสาร า, าพระนี่มันเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุทุกเกิดที่นี่เพระพทธเจ้าท่านแสดงไปที่นี่ก็เมือ่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติกำนวดตามไปมันเบื่อไค่ายความกำหนจจัดที่นี่จวะอวิชาจตเววาเสสวิลางาริสังขาลานิโโท นิโรธโทษ ค, ค, คือความนิโรธคือความหนับทุกอภิชา อาิชานตเตเบวะเสสวิลางาสร้างคาลนิโรโทสร้างคาลนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามาลุปานิโรโทนามาลุปานิโรธาฉลายตนาลิโรโทฉลายตนาลิโรธาภัตสนิโรโทภัตสนิโรธาเวรนาลิโรโทเวรนานิโรธาตันหนิโรโทตันหานิโรธาอุปดานิโรโทอุปดานิโรธาภาวนิโรโทภาวนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาฉลา ละนั่งโซกัปาริเดวุคโดมานัสูปยาซานิโรตสันติเอวเมตัสะเกวรัสะดูกรขันชัดซะนิโรโทโหตินิโรดก็ไปว่าความดับทุกดับที่ไหนดับมันเกิดที่ไหนมันเกิดดับที่ไหนดับที่หูดับที่ตาดับที่หูดับที่จมูกดับคือลิ้นโดดับที่กายได้ดับที่ใจมันเกิดที่นี่มันมันเกิดที่นี่มันก็ดับที่นี่ถ้าจิตใจมันลู่เลย เมื่อมารู้เลยมันจะดับเองของมันมันจะรู้เองเห็นเองปฏิตตังลูกพบใครน่อยเนี่ยเราพวกเราอย่ามองข้ามตนเองว่าเรานี่บุญน้อยมาทนาน้อยเป็นค้าราทญาติจมไม่ใช่ฐานะพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องอะไรมันก็รู้ได้เหมือนกันทำที่จะควรลูกคนเห็นประโยชน์แรกก็คือทุกข์นั่นแหละ ท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไม่ได้เบ้นนะใครใครใครก็ตามข้าราชกก็ตามผู้ออกประพฤติปฏิบัติปิกสูสามเองก็ตามสมณศีความทั้งหลายก็ตามไปเหยียบไฟนี่เบ้นไหมจับไฟนี่เบ้นไหมมีใครไม่ร่อนมีไหมนัดมาร่อนได้เหมือนกันมาทุกได้เหมือนกันไอตัวทุกนี่ละเป็น สัจธรรมของจริงของพระอริเจ้าอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าของจริงจริงอะไรที่นี่จริงทุกจริงทุกหนึ่งจริงสมุทัยเหตุทุกเกิดหนึ่งจริงนิโรธคือความดับทุกหนึ่งจริงมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งพวกเราก็ดูดได้เหมือนรู้ได้เห็นได้เหมือนเหมือนกันพขเห็นทุกเ พ, พราะว่าทุกกับสุขมันอยู่ด้วยกันที่นี่ที่ท่านปฏิบัติให้บรรลุทั้งสองเงียบนี่แหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าชลูน พระพุทธเจ้าเห็นทุกจนถึงฉีดแดงเราเปิดเสียสุขก็เห็นถึงฉีดแดงนั่นถึงได้มาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้ได้เห็นได้เหมือนกันข้างพุทธการก็เป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนพวกเรานี่แหละอย่างพระสุทโธธนะพระราชธบิดาของพระพุทธเจ้าก็เป็นฆราวาสเหมือนพวกเรานีได้สําเร็จเป็นพระอรหรนันต์อย่างนางกุงทนเกสีนี่ มันก็ยังเป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนกับพวกเราเนี่ยนั่นเขาก็ได้ทำเดชเป็นพระอรหันต์ดีนางกุ้งทนเกษีนได้เอตัคขะพระพุทธเจ้าได้ยกย่องว่านางกุ้งทเนเกสีนบรรดาภิกษุณีได้เอตัคข้าเป็นเด็กเป็นผู้ที่ได้เส็มาะสาเร็จพระอรหันต์โดยเสียบพันุไปไปฟังเทศของพระสารีบุตรพระสารีบุตรถามว่า หนึ่งไม่มีสองนี่คืออะไรได้แก่อะไรเท่านี้ละ่ะนันางกุ้งทนเกติีรู่เลยได้สำเร็จพาาระอรหันต์โดยเสียบพันนั่นทำไมถึงเลได้เร็วถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าอดาีตที่ผ่านมาแต่ชาติปางก่อน<ๆ>เขาได้สร้างสมบุรมไม่พอแลว้วแต่มันมันมันเต็มอยู่แลว้วพอเทียบกับผลมะม่วงมันสูกงอมเต็มที่แล้วพอจะเอาไหม เขาจะไปสวยอะพอไปแตะต้องเท่านั้นยังไม่ทําอะไรมันจะร่วงลงมาเลยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสงสัยตั้งแต่วาธนาหรือบารมีของเราวาธนานี่คือการกระทํามันไม่มีทําให้มีได้มันมีน้อยทําให้มากได้ถ้ามันเจริญเติบโตได้กระเพาะเราทําโดยส่วนมากผู้ที่ปฏิบัติในปัจจุบันพอไปทําแล้วที่นี่ พร า, าปฏิบัติสมมติว่าไปนั่งสมาธิภาวนาพอนั่งเข้าไปไปกําหนดเอาแต่ผลอย่างเดียวเหมือนเปรียบประมาณประไม่เหมือนกับเขาปลูกมันมันสปะหลังนี่ล่ละพอปลูกเสร็จแล้วไปขุดเลยขุดเอาหวัวมันเลยมันเปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนไปไม่ได้เว้นไว้แต่ของก็มีเหมือนนางชนเกษีนี่แหะ ถ้าของเก่าเรามีแล้ว ก, ก็เริ่มสร้างใหม่หรือว่ามีอยู่เปลี่ยนประมาณไปไห ม, มเหมือนกับน้ำที่นี่น้ำบางคนอันน้ําเปลียนเหมือนกับผลที่ได้รับบางคนก็อยู่อยู่ตื้นๆสองเมตรสามเมตรถึงน้ําแล้วบางคนก็ลึกไปเก้าเมตรสิบเมตรสี่สิบห้าสิบเมตดร้อยเมตดร้อยขวามตร มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นให้เชื่อว่ามรคคือขอ้อปฏิบัติมีผลตรงในรับแนรอนมรค ก, ก็คือศีลสมาธิและกัปัญญาทีนี้ก็ศีลอันใดทีนี่ศีลอันใดทีนี่สมาธิอันเดียวกันสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดวิมุติอันนั้นคำที่ว่าวิมุติก็คือความรุ้พ้น คำท ja ี่ว่าอันนั้นอยู่ที่ไหนก็คือจิตใจนี่แหละสินก็คือถ้ามันเป็นปกติเมื่อมันเป็นสินแล้วก็จิตใจนี่แหละเป็นสินทำก็จิตใจนี่แหละเป็นธรรมเมื่อมันเป็นสินแล้วที่มันไม่ได้รักษาอยู่เฉยๆมันก็เป็นก็เป็นสินเพราะว่ามันมีความละอายแก่ใจมันมีความกลัวแก่แก่บาปตัวบาปตัวกรรมที่ทำมาเป็นสินเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอะไรรักษานั่งดิ้กก็เป็นสินนอนดิ้กก็เป็นสินไปไหนมาไหนก็เป็นสิน พอพอนึกจะทําความทั่วคิดจะทำความทั่วที่หายเหมือนนี่มันจะมีสิ่งใดสิ่งหมันจะมาสะกิดใจเราให้ลูกให้ระ ล, ลึกลูกขึ้นมาคือตัวสตินมันจะไม่กล้าทำความทั่วเพราะฉะนั้นทานจะให้ให้ซื่อว่าทําคุ้มคลองโลกคำว่าโลกในทีน่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจของเรานี่นี่คือโลกในถ้าจิตใจยังไม่ยึดมัน่นถือมัน่น ร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลอู่นีะจิตใจยังเป็นโลกอยู่จิตใจยังไม่เป็นธรรมทีนี้โลกในคือร่างกายและจิตใจเราโลกนอกคือบุคคลอื่นสัตว์อื่นต้นไม้ผู้เขาเทาวันกระจายออไปที่มองเห็นด้วยตาเรียกว่าโลกทีนี่โดยธรรมชาติแล้วนี่ท่านว่าโลกแปลว่าหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดโลกแบบแปลว่าร่อนโลกแปลว่าวุ่นวาย โรคไปว่าไฟไฟอยู่ตรงไหนไฟราคะความกำนัดจินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเกลือ่อนในฝัดไฟโศกสะความปวดไฟมโมหะความหลงมันเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งกลาคงาคนนืนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินแน่นอนแต่มันไม่รู้อาการที่ไม่รู้ท่านก็ให้ชื่อว่าบิชาตันหาเพราะจะนำมามาปฏบิบัติทำให้เบือ่อนายครายความกำนังจินดีขนาด ทำยังไงม่ใช่เบื่อในคนขึ้นมาทุกถึงยกขึ้นมาัำทุกมากมากมเก็บมากมากทำปวดมากมากเพราะฉะนั้นธรรมะอาจารย์ส่งขงึ้ว่าโรขยาปรมาราพาผู้มิโรคเป็นราภอย่างยิ่งเนไม่ธรรมดาเลยท่านผ่านผ่านโรคผ่านร่างกายเขาไปผ่านโรคผ่านอันนี้เข้าไปผ่านภูผ่านานี้เขาไปนั่นละลาภจะเกิดขึ้นาภคืออะไรราภก็คือจิตใจของของเราอันบริสุทธิ์นี่แหะคือตนของตนเพราะฉะนั้น ให้พวกเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงภู ม, มโลกมีจริงชุติบาทมีจริงนะพระนินพพ า, านมีจริงคําว่าพระนิพพานในที่นี้จะถามว่าพระนิพพานเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ในท้องฟ้าอากาศพระนิพพา น, านอยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราแต่มันยังไม่เป็น พระนิพพานก็คือความเบื่อน่ยทรัพมาจากนิพิทาพระนิพพานนิพิธาความเบื่อทามันเบื่อนายคลายความกำหนัดที่ดีเมื่อจิตใจพ้นจากพวกนี้แล้วนละพระนิพพานไม่จะเกิดขึ้นตรงนี้คือคือนิพิทาความเบื่อเบื่อนายเบื่อนายลูกเบื่อนายเสียงเบื่อนายกินเบื่อนายรถเบื่อเครื่องสัมผัส เบื่อในรูปเวทนาสัญญาสังขารมึงนั้นเบื่อในทั้งบทที่ที่มองเห็นด้วยตาเบื่อในโลกในสังที่นี่สมมุติบัญญัติที่นี่อยู่ที่ที่อยู่ในดวงกิดดวงใจของพวเราพระจะไม่มีเพราะฉะนั้นพระนิพพานมันไม่มีสมมุติมันอยู่เหนือสมมุติแล้วอยู่ที่ไหนเน่ยพระนิพพานอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ขึ้นไม่มีที่ลงไม่มีเื่อเสียง ให้ปฏิบัติให้รููเองเห็นเองของใครของเราบอกไม่ได้อืจะรู้ได้ไหมไม่ต้องสงสัยขอให้ทาเหตุให้ม่กอท่อะไรเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อปฏิบัติต้องเสียสละนั่นแหะเสียสละอย่ากลัวตายถึงกลัวแล้วมันก็ไม่ได้ตายจิตเจหนีตายไม่เป็นแตกดับไม่เป็นมีแต่มันหลงมาเกิดอัองพวนที่แตกที่ดับมันมันเป็นกน้อนธาตุต่างหากนี่ดินน้ําไฟลมก็แตกออกจากกันต่างหาก ทำไมมันจ้งแตกเพรามันพอมันเป็นธรรมชาติเป็นของแตกแล้วกรรมันก็มีอายุอีกอย่างน้อยก็เอออย่างมากก็ร้อยปีก็แตกแล้วเมื่อมาแตกมันไปที่ไหนสิเมื่อมาแตกกรดินกระไลปะสู่ดินทําให้เผาดินปะสู่ดินน้ไปะสู่น้ำไฟปะสู่ไฟลมปะสู่ลมเราเลยถามว่าสัตว์มันอยู่ตรงไหนสินิสโตมันไม่ใช่สัตว์นิสซิโบไม่ใช่สีบิดชุนโยเป็นของว่างเปล่านั่นนั่นล่ะให้พากันตั้งใจปฏิบัติ ตามหาตนของตนทํามไม่รู้ทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้านั่นอยู่ที่ไหนล่ะนะถ้าเราถ้าเราไปเจอไปเห็นที่นี่ก็นตนของตนก็อยู่ที่นี่บิดาก็อยู่ที่นี่มารดาก็อยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่ ถ้าสงก็อยู่ที่นี่มันจะวิ่งเข้าหากันมันจะเป็นอันเดียวกันทดดดดนาร่วนๆนั่นเพราะฉะนั้นยังมาให้มาปฏิวัติทำตนขขาตนให้เป็นติบึงของตนจะว่าอัตติอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นตะทุ่งของตนโกหีนาโถก็รอสิยาวคนอื่นใครเราจะเป็นติบึงได้นั่นนี่สรุปแล้วที่ดีที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราอันบริสุดที่ี่ก็ เมื่อกรจะต้องฆ่ามิข้ า, มขาไม่เอาใจใส่ปะปล่อยละอาปลาปล่อยปลาละเลยปรถือนอกรีดนอกลอยไปเห็นผิดจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าบาปไมมีบุญไม่มีปมียพกเมื่อไปทำแต่ข่มขู่เสียหายเสียตนของตนมันมีศีลมีธรรมประจําขีจจําใจเมือ่อแตกตายทําลายขันลงไปที่นิดกรรมชั่วมันจะพักดันจิดใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ำภูมิที่ต่ำไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ำไปเกิดในเมืองนรก ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสูรกายไปขัดไปเกิดเป็นสันตินาาราษานไปเกิดเป็นผู้ผีปีาศาจอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่นี่ฝ่ายกู้สนผู้ที่สร้างคุณงามความดีตั้งต้นเป็นการให้ทานการรักษาศีลการจเจริญเมตตาภาวนาเมื่อแตกตาทําลายขันลงไปบุญกูศสนน่ะนะบารมีบุญกุศละจะพักดารจิตใจให้ไปเกิดต่ำที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่สูงขึ้นไปไปเกิดสวรรค์หกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งสูงขึ้นไปเอกก็ไปเกิดพมะโลกพมชิบหกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งสูงขึ้นไปเอกก็ไปเกิดในสุดทวารทนะ่านถ้าไปถึงสุดทวารทนะ่าไม่ย้อนกลับลงมาเกิดไปนิพพานนั่นเลยไปสมบิภ า, ารันที่ที่สุดทวารเองนะั่นอรบัญเอวังก็มีด้วยปา ก, การัตนี <c oughs> พักกันตั้งสัตว์ไว้เดิมข้อวัด่าให้มันขาดไห <c oughs> ว้พระตรวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา <c oughs> ถ้าไม่ทำได้มักทำน่อยแต่ว่าช่วงนี่ช่วงใกล้จะสว่างตีสี่ตีห้านมีมครูบาอาจารย์มางรูกท่านสำไมทุกปูไปปฏิบัติกับท่านท่านว่า ถ้าคู่ไรไปนอนทับช่วงช่วงตีสี่ตีห้าท่านว่าท่านเตือนข้าเน้นมันไปทำลายนิสัยของพระอรหันต์ช่วงช่วงพระพระอรหันต์จะเกิดขึ้นช่วงช่วงช่วงบ่ายตั้งแต่ตีสองตีสามโจงกร่าจนมถึงสว่างท่านว่านิสัยของพระอรหันต์ถ้าคู่ไรไปนอนทับบนเสวะไปทำทำลายนิสัยของพระอรหันต์ท่านว่า อาจารย์ลูกนี้คือใครคือท่านอาจารย์เพ่งที่เป็นคู่กันกับท่านอาจารย์ตวนอยู่ครูท็อกท่านไปเที่ยวร่วมกันแรกๆลุกปู่ได้จำพษากับท่านอยู่ที่วัดธาตุขุนท่านอาจารย์เพ่งพอออกพษาท่านก็พาเดินตุุ้งไปเรียบภานาเข้าไปหาท่านอาจารย์ตวนอยู่ถ้าจัน์ดงทีส้มโผไปนอน เดินไปตามป่าตามดวงสมัยผ่อนบิดป่าดวงคลิบไปดวงดงพระลาดดวงพระลาดแล้วก็ต่อไปดวงดงศรีสุภูไปทำจันทร์ออกจากนั้นทันกระพากไปขึ้นไปแถวภูสิงห์เอาจะกภูสิงห์กับไปภูวัวไปทำบูชาท่านก็นไปไปจำพรรษาปีปีพรรษาปี02อยู่ว่า โศกกรรมที่ท่านเป็นตำประยาหนึ่งลุงปู่ไปเ้าอยู่กับท่านมันปวดศีรษะตั้งแต่ตอนตอนเศร้าไปถึงตะเป็นสูงขึ้นสูนกันแสงพราที่แต่ขึ้นๆึ้นไม่จะปวดหนงขึ้นไปเรื่อยก็เลยลาท่านกลับมาก็เลยปีฟันสาปีศูนย์สองได้กลับมาจำพรรษ า, าที่วัดธาตุปเป็นไปซ้อนกันทั้ง ไปทุนหนึ่งกับทุนสองที่ท่านกำจําพันศาอยู่บ้านโสการรมนี่นะที่นี่ตอนกลางพัรษาเนี่ยพวกคุม้มเจ้าที่กันมันจะมาล่องให้อยู่รอบๆที่ท่านจําพรนศาอยู่ที่ที่เขาจัดให้ท่านจําพันศามีพระร่วมกันอยู่เป็นหกเจ็ดรูปอยู่อยู่กับท่านมันมาล่อง ร้องขอขอความช่วยเหลือจากท่านสามพืนคื้นที่สามมันบอกว่ า, าให้ท่านอาจา ร, รย์ไปเอาของหนีให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้พวกผมเองของเขาบอกว่ามันอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำอยู่อยู่ ย, ยู่อยู่กลาง Yoon กลางโคก REW กลางหลงนะครับเลยพาเขาบอกให้ไปขุดไปเอาแล้วไปขุดพอไปขุด ท, ที่นี่ก็ท่านบอกว่า พวกญาติโยวมเป็นคนขุดพวกพ่อพวกเนมเป็นคนคุ้ยหาพวกโยมเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าใครคุยไปเจออะไรเป็นของคน น, ง น, นั้นท่านบอกนั่นแหละพระกระดาได้พระกระดาษพระพุทุกพระพุธรูปเล็กๆมีเยอะที่นี่ครสงสัยเขาจะไปแล้วไปไปเสด็จไปคุยเปลี่ยนนั่นแหละมไปติดอย่นั้นา น, น, นานแล้วจนไปไปไปไหนไม่ได้พ้องนี่เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อญาติพี่น้อง ร่มหายตายจากไปของที่มันไม่ละลายยาวยวเอาไปให้เป็นเป็นของของแข็งปุ๊บปุ๊บไปของของที่ไม่ลายเป็นเงินเป็นเป็นเงินเป็นทองทองคําทองอะไรพวกน rul, ี้ยาวไปท่าจะให้จริงๆเละเอาไปทานให้ให้ให้ให้พระท่านถ้าเป็นอทองเป็นก้อนให้ท่านเป็นหลอ่อเพระพุทธลูกให้มันดีกว่าไปฝงังไว้ถ้าไปฝงังไว้ไมนไปไม่ได้ไม่คลองอย่าง้ยไม่ตีอย่างเงี้นี่ตามปกติ Ash. ไอ หลวงปู่มั่นท่านไปที่ไหนรพอท่านไปพักอุปสาที่มันมีเด็กหญิงค น, นพอเป็นสาวพอตายก็มี ม, มีมีลูกลูกสาวคนเดียวหลักมากที่นี่ก็พ่อตายไปก็เลเอาทองคำแห่งไปไปฝางนี่พอท่านไปพักน่เพิ่มมันก็มันร่ อ, มองมามาร่องเรียนท่านเขาเขาความชวยเหลือจากท่านบอกว่าตายแล้ว เฝ้าของอยู่ที่มั่แม้แต่ไปพูดี่เกิดที่ไหนก็แก้แคนได้บอกชื่อว่าชื่อชื่ออย่างนั่นบินานดามารดาชื่ออย่างนั่นพอสุดท้ายพอตินเส้ามาท่านไปบินธบัติที่ก็ถามมาถามต้นทางที่ถามไปคนชื่อนั่นชื่อนั่นมีไหมอยู่ในหมู่บ้านนี้จังหวัดมีสิบอกว่ามีเกิดบัดแลก็แล้วไปไปบอกให้เขาออกออกไปหาลุง ป, ปูดด่เลยพอท่านกลับมา เขาก็ก็มาเขาออกสหาท่านส่นท่านันิาท่านพักอยู่ในป่าซ่าแคเลยหาอุบายถามีมียมมีลูกกี่คนถามไปถามไปแล้วแล้วก็มีลูกตอนนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วแต่คนที่ตายลูกที่ตายเขาถือว่าอย่างไรมันจะตรงเขาเขาบอกไว้ทัน้มันก็มันก็ตรงกันหมดทุกอย่างที่ลราท่านกันเลยว่า เมื่อเวลาตายเวลาเอาเอาเอาไปฟังเลยและเอาอะไรให้บ้างส่างๆ ม, มีมีของให้บ้างไหมต่างา ม, มีเอาต้องทำให้ในละลัะท่าน ก, ก็บอกเพียให้พวกเราขูดขึ้นมาสัตลูกเอาขึ้นมาแล้วเอามาเขาจังเลืวกของแองั้วก็ลูกปูจะเอาไปกรอพระพุทธรูปให้เขาจะได้ไปผูดี่เกิดถ้ามีเช่นนั้นเข้าไปไม่ได้เขาจะฟอกของนี่นนะแหละจนะนะพวกรอหลยาวให้ สมัยหนึ่งไปอยู่อำเภอบางสุภพิบ้านบ้านคูนอนที่เขาเรียกว่าบ้านโกบอกแล้วก็ไม่ไม่ทราบบ้านบ้านโกกอกต่อกันเป็นอันแล้เวลาเขาเป็นเขาลูกเขาเสร็จแล้วคลุงลุกปู่กับท่านอาจารย์ขบุก ไปดูไปดูไปเห็นเละเขาเอาเข็มคัพตองหน้าไปเผาไปเผาแต่ว่ามันไม่ละลายมันยังเป็นเส้นอยู่ท่านอาจารย์ขบวนท่านก็นเลยว่าเอออันนี้คู่วา่าจะเอาไปจะเอาไปทำบุญให้เน้อจะเอานี้ให้เราจะมาตีมกล้องอยู่ที่นี่ให้ไปผู้พ่เกิดได้ท่านบอกนะ ยาวไปอย่างให้มันจะคล้อเวลาท่านพรพวกเราก็ให้อุทิศแผ่สมบุรณ์อุชอนอีกต่อหนึ่งหรือเมื่อหลังจากนี้ไปพวกเรารารนึกถึงเวลาใดคณะใดเราแผ่อุทิศสนบุญนี่ได้ส่งไปให้เขากทิศเรากปนานไปให้นั่น ได้ทุกขณะอันแผ่ส่วนบุญกุศลนี่เราจะเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปจากดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราเหมือนกับเราตามไฟนี่ะมีเทียนหรือไฟดวงเดียวเมื่อเราแผ่ไปม า, มากไฟหลายดวงหลายหลอดไม่ก็ับจะสว่างจ้าไปมากข้องของขอกไปนั่นะเพิ่มแต่ ว, ว่าบุญคือความสุข ก, กายสบายใจ อุสวนคือคงสว่างของจิตของใจคือสติปัญญาให้แพรส่วนมือไปให้ประโยคแรกก็อุทิศไปให้บิดามารดานีละก่อนเพราะว่าบิดามารดาของพวกเราไม่ใช่มีเฉพาะแค่สองคนเท่านี้ผ่านเป็นอดีตมาแล้วมันมากกว่านี้เป็นมือเป็นเส้นแสนก็ได้บางทีเขาไปตกข้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วอาศัยพ ว, พวกเราผู้มีโอกาสมีเวลาได้กระทํามาเป็น แล้วก็แปอุทิศส่วนบุญไปให้เขาถ้าหากก็ว่าเขาเรานั่นไม่สามารถรับข่าวสารนี้ได้กขอความช่วยเหลือจากเทพพยุจเจ้าที่สิงสถิตปฏิจจฐานในสกลนรกและสกุลนพิพภนี้ผู้มีหูทิพตาทิพจงนําข่าวสารนี้ไปบอกเก่าให้ท่านเ่านั้นทราบเมื่อทราบแล้วขอให้เขาอนุโมทนาอูหมีทุกข์ขออหมิสุขผู้มีสุขขออุหมิสุขพิยโยยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดนั่นเอง อันนี้ก็อุทิศไให้ประโยชน์แล้วก็อุทิศไปให้บิดาบรรดาครูพระาอาจารย์ญาติสนิทพิจารณาเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่เมีนางทุรนีเมีนางคงคาพระยามัจจุลานายนิริยบาแลแต่เท่าจักรโลกกวันทั้ง4ีและพระว่าหากษัตริย์ทุกๆพระองค์แด้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยรอบฟื้นคเกศจกักรวรรข้างล่างถึงอเวกีมหาลรกทั้งข้างบนถึงภพมโลค โดยรอบสุ่ขอบเจ็จักรวรรดบุญกุศลนันไดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทางกายทางน้ำจิตเตอทางน้าใจในคอข้าพเจ้าขอยกให้พวกท่านทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเมื่อทราบแล้วพวกอนุโมทนาผู้มีทุกข์ขอให้มสุขผู้ไม่สุขละขอให้มีสุขเพื่ยกระดิกขึ้นไปด้วยเธอหนึ่งทำทุกวันจนเนะจำไว้ยะหาวรีวาราปูราปาดิปูเรนติซาการัง เอวเมวอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิสตุสเปปูเรนตุสังกปาจันโทปันนลโสยะธาเมตโชทิระโสยะธาสฟีติโยวสันตุสัพโหรโววินัสตุมาแตพวัตวันตะระโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีริจานิจังอุทธาปจาญีโน จัตตโลธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภะรัง